ถึง16หนึ่รอยสิบหกข้อมสารสิทธิอาญาส่วน เَาَ ش ر ن ه ُ بإسحاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق และดั่งทีซ่าและ ا ل ع ظ م ا فكانوا الغالبين ونصرناهم فكانوا الغالبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَن يهده ال الله فلا مضلله وَمَن يُضللَ فلا هادي له, له وأشهد أن لا إله إلا الله و ه لا شريك له وأشهد أن محمدا ع ه ه ب ه ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك ن م و و ل ي ك أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ت من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر م ع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ر ض ي د بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ر س و ل ا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر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 ولا تكلني إلى نفس طرف عين حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องรักทั้งหลายครับพี่น้องที่ร่วมนมาสุโบที่มัสยิดอันวาสุนนะและพี่น้องที่ติดตามนะครับรายการในตัซรอกรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านที่นั่งที่ตลาดนะครับ ด้วยความเมตตาของ Allah s u a n a h u wa t a า l a เราต้องขอบคุณอ l ล a ยอะเยอะนึกถึงอ l l เยอะเยอะพีน้งิเก็ตถึงอ l ล a h ยอเยอะเนี่ยอะไรนีชัยตอนหนีหมดทำไมเราต้องนึกถึง Allah เพื่อไล่ชัยตอนเพราะ a l a h สอนในกเพรีคุณอ่านบอกว่าอัลชัยตอนอัลดูนชัยตอนนี้เป็นศัตรู นี่ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวด้วยฉะนั้นศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนี่มีอยู่อย่างเดียวขอจอากอัลลอฮ์ส่วนศัตรูที่เห็นหน้านี่นบีสั่งนะให้ทำอย่างนี้ให้ทาดีกับมันคุยกับมันดีๆอย่าไปทะเลาะกับมันเลี้ยงอาหารมันบ้างเดี๋ยวมันก็เชื่อง <laughs> แต่ศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนี่มีวิธีรักษาได้สามทาง หนึ่งนมาศช่วยได้เลยใช้ตอนหนีครับมีในหะดีษบทหนึ่งของท่านนาบีจากหนังสืออัลมุนัมบะฮับอกว่าอันกาบิข์มลลีอัชบาร์รดิอัลลอฮฺอัลฮุสุนลิลมูมินีนมินัสไซต์อนนิสาลาสุนวิธีรักษาปกป้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากไซต์อนนั้นมีอยู่สามอย่างมีอยู่สามรายการ ทำดูลินล้วนีนบีสอนให้เราให้เราเข้าใจง่ายๆมีอยู่สามรายการที่ชัยตอนไม่กล้าเข้ากับคนที่ปฏิบัติสรายการนี้ข้อที่หนึ่งอัลมัสยิดูฮิสฮิสนุนคนที่มานั่งเรียนในมสัสยิดเาลาจะรักษาในชัยตอนมายุ่งกับคนคนที่นั่งอยู่ในมสัสยิดก็มาถึงน้ำมาดนั่นแหละอน้ำมาดที่บ้านก็ได้เพราะช่วงนี้โควิดใช่ไหมน้ำมาดที่บ้าน คนที่น้ำมาอยู่หรือนั่งอยู่ในมัสยิดนี่ ใ, ใส่ตอนเม่ก้าเขา้านี่ใครใครพูดนี่ยน้าเบี้ยสบายใจไปไปน้องเรื่องที่สองวัดยิ่กรุลล้อให้สนุนการนั่งรำเรื่อ ง, ง, ง, งถึงอัลลอฮ์พอเลิกน้ำมาแล้วเนี่ยระหว่างที่เดินไปเดินมาทํางานนี่จําำได้ถึงอัลลอฮ์ด้วยเดินด้วยทํากับข้าวด้วยแม่บ้านที่อยู่ในครัวเนี่ย แล้วก็ปากซิครุลลอฮ์ด้วยเนี่ยทำอย่างเงี้ยได้ไหมได้ภาษาอุด ו ว่าเอกิวกักแมโดโกามกัดสเตห์เวลาเดียวกันทํางานสองอย่างได้หนึ่งอยู่ในครัวทําอาหารมือทําู้นทนํานี่หันพผงหันพริกปากเป็นยัไงฟิครุลลอฮ์นี่ใช้ไลชัยตอนหมดเลยเห็นอย่างรับเรื่องที่สมวากิรอฮอตุลกูรานฮิสนุนการอ่านอัลกุรานที่นั่งเนี่ยที่เราอ่านอยู่เนี่ยเราด้มีสองแดงนะ อยู่ในมัสยิดด้วยสอง อ, อันครอานนี้ก็โอ้โหใชตอนไปลายไกลเลยอัลฮัมดุลลาอานี่เป็นความสอนที่มาจากนบีนบีไม่เคยพูดโดยความรู้ตัวเองนะทั้งหมดเป็นวาฮีจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนบีมาสอนนี่ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่เรามีนบีมุฮัมมัดแล้วก็มาสอนนู่นสอนนี้ให้เราออกหาจะใช้ตอนอยายุใกล้ชิดกับอ AH ัลลอฮ์หัวใจสงบอัลลอฮ์เป็น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่กับอัลลอฮ์สุภาพโอวาตานะ <c oughs> วันนี้มาซูร่อะไรครับ อ, อัศว์าซฟ้าตีต้องนึกด้วยนะแปลว่าอะไรการตั้งแถวการตั้งแถวผู้ที่ตั้งแถวคนแรกในโลกเนี่ยใครมาดาีกะแล้วก็คนที่สอนให้ตั้งแถวเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งนะอัลลอฮ์สอนมาเลกาตั้งแถวแบบนี้อัลลอฮ์บกว่าแถวจะต้องชิดกันนะครับ แต่นี้มนุษย์เดิมาตั้งแถวที่หลังเนี่ยก็นบีก็ามาสอนนะครับทุกน บ, บีมีในการนมาส ก, กันหมดนะตั้งแถวก็ตั้งพันธุ์ชิดกันนะครับ <c oughs> ทีนี้มาถึงอายาที่เทนะ่านัหนึ่งร้อยสิบสิบสองอายาที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องนบีอิบรอฮีมใช่หรือไม่ใช่ใชอ่านาบีอิบรอฮีมเนี่ยก็ขอเล่านิด น, นะทบทวนเรื่องเก่าๆไปน้อ นบีอิบราฮิมเนี่ยเอาล้อชมการอัลลอฮ์ด่าเนี่ยเอาไงด่าก็ชมนี่นะเอาชมดีกว่าคนที่อัลลอฮ์ด่าใครตบบัตยาดานบีละฮับวะตับมือสองมือของอบูละฮับพินาตแล้วและอบูละฮับในี่ยใครญาตินบีทําไมอัลลอฮ์ต้องงดความเมตตาสราบแช่งเพราะอะไร เพราะด่านบีด่าคุรานด่าสุนนะนบีดา่าไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืนนะ้นเนี่ยเนี่ยเราก็เล่านคัมภีร์คุรานนะนบีไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยนะนบีทางานศาสนาอย่างเดียวทําไปถูกตําหนิถูกด่าสารพัดไม่เคยโต้ตอบว่าอเลาก็โตตอบแทนนี่บอกพวกเราเหมือนกันนะคนที่ทํางานศาสนาทั้งหมดเนี่ยเวลาถูกตําหนิถูกว่าเนี่ย มันต้องมองตัวเองนะมันจะมองคนอื่นนะเลาจัดจัดการแทนเราหมดและ้ววันนี้ด้วยนะจนัึงวันถึงวันเกียม์มาเนี่ยเราจัดการแทนเราหมดเลยทีนี้คนอเลาะชมเนี่ยชมนบีอิบราฮีมมีอยู่ในภิกรุรอานนั้ น, น, นหนึ่งอนินนาวญาณนาหูแทจทีงเราเนี่ยได้พบเห็นนบีอิบราฮีมนะซอบิรอนเป็นคนที่อดทน รอมุสลิมทุกคนจะอยู่ตรงไหนของโลกต้องมีสิทธิ์อดทนพาสิทธิ์ติดตัวนี้ไปด้วยแล้วอดทนตอนไหนดีที่สุดทำไมต้องเกิดเรื่องใหม่ๆตอนเกิดเรื่องใหม่ๆเนี่ยอดทนเลยไม่ใช่พาประชุมโบเพื่งจะอดทนไม่ใช่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่ที่กุบทนบีเดินผ่านมาในสมัยนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะนบีก็เข้าไปเตือนแบบว่าอิตติลาจงกูอัลลอฮ พรว่าอย่างนั้นผู้หญิงหันมามองด่านบีเลยเองไม่รู้หรอกว่าเวลาคนมันมีทุกข์เนี่ยจะเป็นยังไงอัลลอฮ์นบีก็เดินออกไม่ว่าอะไรเลมีคนมาบอกว่าคุณตวาดใครเมื่อกี้อรู้เปล่าม <c oughs> ไม่รู้แหละนบีมุฮัมมัดฮะนบีก็ <c oughs> รุกขึ้นเดินไปที่บ้านนบีบ้านนบีไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มียาม ภาษาอาราบว่าเบาว่าคนเฝ้าประตูที่บ้านนบีไม่มีเห็นยังครับนบีทำตัวเป็นไงคนธรรมดาไม่มีคนเฝ้าประตูบ้านด้วย เ, เราเนี่ยเป็นไงหลบบางคนในโลกนี้เนี่ยนะหลอมีอำนาจน่อยโอ้โหมีผู้พิทักษ์รักษาฟาโรห์พิทักษ์รักษาเท่าไหร่สาม0 0ื่นห้าพันคนแล้วรอดไหยล่ะของนบีไม่มีอะไรเลยเนะครับพอเดินเข้าไปเข้าไปหานบี บขอโทษด้วยเมื่อกี้ฉันว่าท่านต้งนี้ท่านนาบีก็บอกว่าอัสอบรตุอินเลอินดลสิตประตูมุดอะไระแต่อาการอดทนนั้นน่ะต้องเริ่มต้นตอนที่ถูกอะไรนะความทุกข์ใหม่ๆเนี่ยมาเริ่มมีความเดือดร้อนเข้ามาให้เริ่มอดทนเลย แล้วก็กล่าวว่าไงนะอินนาลิลลาฮิวอินนาอิลัยฮิร์ยอูอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นอดทนเมื่อตอนมีบาะมีความเดร้อนมาพบเราใหม่ๆเนี่ยต้อง น, นึกถึงอลัลลอ์ก่อนอย่าไปนึกถึงถึงอย่า ง, งอื่นถึงอลัลลอ์จะคุ้มครองริดูเหนนี้อลัลลอฮ์ึงชมนบีอิบราฮิมบอกว่าซอบิรอนท่า น, นคนที่อดทนเนี่ยไปน้องอัลลอ์รักนะข้อที่2เนี่ยมลับ เป็นบา ว, ท, าานะบาวาที่ประเสริฐอัลลอฮ์อัลลอฮ์ชมเลยนะเป็นบาวของฉันที่ประเสริฐพระอดทนนี่ไงเรื่องที่สามอินนหูอาวาบุญอาววาแปลว่าสงสารคนเมตตาคนอลัลลอฮ์อยู่ในสระเดียวกันอดทนด้วยแล้วก็อลัลลอฮ์เป็นคนที่สงสารคนเมตตาคนให้อภัยคนช่วยเหลือคนอลัลลอฮ์ตามมาหมดเลย แล้วก็ข้อสุดท้ายเอา ว, วาหุนแปลว่าเป็นคนที่อะไรนะสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ทอะไรผิดเนี่ยอย่าดันทุรงังไอทำอไงนะอัสตาเวรุลอฉันผิดไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ชมคนประเภทนี้คือนบีอิบราฮีมทํทำ ท, ำทำเป็นแบบเอาไว้ครับแตลหัมดูลิล่เลอา ว, วันนี้มาถึงอายาที่1 1ึงรอยสิบสอง وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ทำอะไรนะเชื้อดลูกก่อสร้างสร้างกะ บ, บ้โอ้สารพัดนี่ได้ไหมนั่นอันหน้าที่ของนบีอิบรอฮิมทํำมาหมดเลยแล้วก็อลัลลอฮ์ก็ชมอดทนแล้วก็สงสารคนเมตตาคนช่วยเหลือคนทําอะไรผิดเตาบ้าตัวไม่ดันทุรังแต่นี้อลัลลอฮ์ก็มาเล่าอีกว่าเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนะว่าบัชชาตนาฮุมมุฮัมมัดเ อ, อ๋อเราได้แจ้งข่าวดีกับกับนบีอิบรอฮีมชักนาเพรว่า บัชรอแปลว่าแจ้งข่าวดีบุชโรนะแปลว่าแจ้งข่าวดีใครที <c oughs> ม่มีชื่อเรื่องชื่อชื่อบุชรอเนี่ยได้เลยนะแ <c oughs> ปลว่าข่าวดีบัชนาหู่แปลว่าเราได้แจ้งข่าวดีหู่ <c oughs> มาถึงนบีอิบรอฮีมบีอิสฮาเขาจะมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออะไรนะชื่ออิสฮา อิสฮากเนี่ยเป็นเป็นน้องดิเป็นพี่เป็นน้องสิห่างกันกับนบีอิสมาอีเนี่ยกี่ปีรู้เปล่าสิบสี่ปีห่างกันสิบสปีชื่ออิสฮารกแล้วอิสฮากเนี่ยอยู่ที่ไหนหรู้เป่าอยู่ในประเทศปาเลสไตน์อิสมาอีอยู่มักกะห่างกันไหมโหคนละคนละทศคนละทวีปเลยห่างกันทีนี้ ส่งอิสมาอินมาส่งอิสฮะมามาทำอะไรลูกน่ะมาทําอะไรดูอัลกรุรอานวัดต่อไปนบีอัอลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ยกย่องไหมให้เกียรติไหมให้เกียรติว่านาบีอิบรอฮีมมีลูกสองคนลูกคนที่หนึ่งชื่ออิสมาอินก็เป็นนบีอยู่ที่ไหนนครมักกะส่วนอิสฮะอยู่ที่เปอร์เซียใช่ไหม เป็นนบีเหมือนกันเป็นนบีด้วยนบียันเป็นนบีของอัลลอฮ์อัลลอฮุอัลแล้วต่อมาไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะมันจะเป็นนบีอย่างเดียวนะมีนาาัฟอเลห์ยนอยู่ในหมู่ผู้คนที่ซอแหละอัลลอฮ์คนเลยนะฉะนั้นอยู่บนหลักการอิสลามนี่สงานงามจริงๆเนะี่ยแต่ต้องเข้าใจนะนะ ให้ดูประวัติของบรรดานับีเป็นแบบเนี่ยมันจะสบายใจนะที่เอา ล, ล่อเล่าประวัติให้ให้นบีมุ hammad ฟังเรื่องบอบดุลบรอห์ฮิมให้อิสฮากับนบีมุ h ั m m a d ฟังเนี่ยเขาเป็นนับีเหมือนท่านเลยนะเขาเป็นคนดีเหมือนท่านนี่แหละทกการจะอธิบายว่าอิสฮากเนี่ยเป็นนบับีเป็นลูกของนบีอลบรอหฮิมเนี่ยมี ม, มีมีลูกกี่คน อิสฮากนี่แต่งงานนะน บ, บีอิสมาอินก็แต่งงานใช่ไหมแต่ไม่ไม่มีเล่าว่าน บ, บีอิสมาอินมีลูกกี่คนนะในคัมภีร์คุอานไม่ได้เล่าแต่ในพวกอะดุลกิตาบเขาเขียนกันไวอัลอมาก็นำเอาประวัติเล็กๆในน้อยจากของน บ, บีอิสฮากเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังน บ, บีอิสฮากนี่มีลูกสองคน แล้วก็ลูกของเขานี่มีชื่ออะไรบ้างชื่ออีซูคนนึงอีซูนะอินยาซีนวาวอีสุและอีกคนหนึ่งชื่อยาคูบยาคบมีชื่ออีชื่อหนึ่งกับอิสรออีนเนี่ยพวกวันี้อิสราอีนวันนี้เน่ยเป็นลูกหลานของนบีอิสฮากอิสฮากมีลูกชายสองคนชื่ออะไรนะอีซูคนนึงกับยาคูบ ฉะนั้นยากูปเนี่ยเป็นต้นตระกูลของพวกบรรดอิสราอีลทั้งหมดเลยทีนี้นบียากูปเนี่ยพออายุแก่ชาราเนี่ยตาเนี่ยไม่ดีภาษาอุด dua นรกกรรมโรหูไกตาเนี่ยเสียมันขนาดนาบีได้ไหมสมัยก่อนหมอไม่มีนะนะะยังตาบอดคิดดูสิแล้วเราถ้าจะเจ็บนองเจ็บนี่บ้างอนะ ต้องทนใช่ไหมล่ะในการทดสอบจะเอาลอดทั้งหมดเนี่ยท่านนาบีอิสฮาร์เนี่ยตาเสียมองแมก็เห็น ม, มองร้างๆนี่แหละแต่ไม่ได้บอดสนิทหรอกนะก็มีลูกชายสองคนคืออีซูคนหนึ่งกับยากรูคนหนึ่งอิสฮารนี่ก็นบีอิสารบบอ ก, บอกลูกผููชายคนโตว่าอีซูบอกเธอไปจัดอาหารให้พ่อไป แต่เป็นต้องเป็นอาหารเป็นเนื้อนะ่ยเป็นเนื้อสัตว์ต้องไปล่ามาจากจากป่าก่อนแล้วกลับมาก็มาปรุงอาหารให้พ่อทานแล้วพอพ่อทานแล้วก็จะขอหนูอาให้ลูกมีบรารกัดในชีวิตมีริสกีที่เพิ่มพูนมีลูกหลานที่ซอลนล้วตอนนี้ยากรูปเนี่ยได้ยินและภรรยาก็ได้ยินด้วยว่า แตบียสฮาคเนี่ยสั่งลูกคนโตให้ไปหาอาหารมาเลี้ยงยากรูก็เลยแม่บอกว่าลูกพิทานอาหารจัดให้พ่อทานก่อนกว่าที่อิสซาจะอิสูจะมามกันนานใช่ไหมละ่ะยากรูก็เลยไปเลยเนี่ยไป ไ, ไปเชือดแพะมาตัวหนึ่งล้วทานอาหารอร่อยๆมาให้อิสฮากให้พ่อทานพ่อก็ะาำว่า ใครตาตามมองไม่เห็นนะเต้าใครก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่พูดน่ะทำเฉยวันลาพูดปั๊บเนี่ยเสียงมันออกนี่มันไม่ใช่อีซูนี่มันยะกุ๊บมันะยห๊ะก็ไม่ตอบก็เข้าไปกอดพ่อพ่อก็ไปอะไรนะไปจับเสื้อผ้าจับหน้าจับตาแล้วก็ยะกุ๊บเนี่ยก็ฉลาดเนี่ยเอาเสื้อของอีซูน่ใส่ ก็นึกว่าเป็นอีซูก็ไม่ว่ากันแล้ว ก, ก็กินไป ก, กินอิ่มแล้วก็ขอดูอาให้ยากูบพอขอดูอาเสร็จแล้วขอสามอย่างอันหนึ่งให้มีสุขภาพแข็งแรงมีบรารการในชีวิตมีริสกีที่ฮัลลันเพิ่มพูนแล้วก็มีลูกหลานที่เป็คนดีหมดเลยโอ้แล้วนบีขอเรอาได้หรอือไมรับหลอไม่รับอยู่แล้วอย่างนั้นแหละพ่อกินอิ่มแล้วอยู่สักพักหนึ่งในะอีซูมามาก็มาจัดอาหารให้ให้พ่อทาน พอเอาอาหารไปวางพ่อถามว่าเมื่อดดกี้นี่ก็อิสูเอาอาหารมาให้แล้วไม่ใช่หรอือเราก็เปล่าเอาแลแล้วใครก็มองหน้า น, น้องชายยากรเริ่มโมโหกโกรธตั้งแต่วันนั้นใครโกรธนะพี่ชายพี่ชายของของของยากูใช่ไถึงอีสูใช่ไโกรธแล้วก็บอกว่าฉันจะ ฆ่าเธอแต่เ น, นี้แม่ก็บอกว่ายากรบหนีไปอยู่ที่อื่นก่อนป้าถ้าพ่อตายเมื่อไรนะฉันจะฆ่าเธอเออตอนพ่ออยู่ไม่ฆ่าเนี่ยแม่ก็ให้เกียรติพ่อกันอยู่ใช่ไหมแส้งว่าลูกกสองคนก็แข่งกันทาความดีใช่ไหมล่ะแต่ไอ้ความอิจฉาริษยานี่มันมาได้ยังไงพอเสร็จแล้วก็แม่ก็บอกแม่ก็รักรักยากรูปเยอะหน่อยความจริงรักมากรั ก, รก น, น, น้อยนี่ผิดนะ ตำหลักของของอิสลามสมัยนบีอุมมัดเนี่ยต้องรักลูกเท่ากันถ้าจะให้รางวัลนะให้รางวัลลูกผู้หญิงมากกว่าลูกผู้ชานยนบีสั่งเลยนะะไปทําองค์รอบไปไหนมาไหนก็ตามเวลากลับมาพาอะไรนะพาของขวัญมาให้ลูกนะให้เท่ากันกับมดแต่ถ้าจะให้มากกว่าการให้คล้าๆให้กับลูกผู้หญิงมากกว่าลูกผู้ชาย น, นาบีอุมมัดสั่งแต่รักต้องเท่ากันแต่นี่แม่เนี่ย เอนียงไปทยากรูปเล็กๆน้อยใช่ไหมบอกยากรูปหนีไปก่อนไปพ อ, พอพี่ชายเธอหายร้านหายโกรธแล้วค่อยกลับมาพอไปก็ไปเลยนะไม่กลับแล้วไปแต่งงาแต่งงานโยงท่านได้ลูกมีพระญาสองคนเนะี่ยยากรูปนี่น ะ, ะใช่แล้วมีอะไรนะเป็นลูกคนณมียูซุปนี่ตระกูลเดียวไปหมดเลยเนะี่ยแล้วยากรูปไปเนี่ยไปอยู่อีกอีกอีกเมืองหนึ่งมีพระยาที่นั่นสองคนแล้วก็ คนภรรยาคนคนที่สองเบรุฟชื่ อ, อยากรูก็ทะเลาะกันอีกใช่ไหมนะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าปู่ย่าตายายมันทําแบบเอาไว้ไงใช่ไหมนี่ต้องการจัดตําหนิบันี้อิสโลอีนเองทําแบบไม่ดีเอาไว้น้าพ่อนะ่าดีแต่ลูกนี่จังหักแล้วที่มาทะเลาะ ก, กันอิจฉาริษยากันแย่งกันทําความดีแล้วก็ผลเรทะเลาะกันแล้วมันมันไม่เลิกอนะ่ะจนทั้งวันนี้ ยอิจฉากันอยู่แลวอิจฉาใครเลยไหมอิจฉานาบีมุฮัมมัดด้วยอิจฉาพี่ชายตัวเองใช่ไหมแต่แค่นี้พอนะ แ, แต่เยอะกระเถิ่มือนการเมืองทั้งหมดเลยนะอัลลอฮฺเอาต่อมากับวะบัชรนะฮุบิอิสฮะกอนบียามีนอสซาลีฮินและเราได้แจ้งข่าวดีแกเขาคืออิบรอฮีม เบียอิสฮากว่าจะได้ลูกซึ่งมีชื่อว่าอิสฮากเป็นอะไรครับนบียันผู้ที่ได้เป็นนบีมีนอสโรายะไฮและอยู่ในหมูผ่ผู้คนที่กาลยานชนเป็นคนที่สอนและอัลฮัมดุลิเลนี่อัลลอะ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังว่านาบีที่มาก่อนหนะ้นานบีนั่น อัลลอฮ์เนี่ยแต่งตั้งมาแล้วก็แต่ละคนแต่ละคนนั่นทำงานศาสนาเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยด้วยกันทุกคนเพื่อให้นบีมุฮัมมัดฟังเพื่อนบีจะได้เอามาสอนอุ ม, มา่านบีมุฮัมมัดราว่าถ้าอยู่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องอ่านประวัติของบรรดา น, นบีเหล่านั้นเพื่อที่จะเป็นหนทางในการได้ว่าอิสลามมีปัญหามาก็ต้องให้ใหอดทนอย่าโวยวายอย่าเดื อ, ร อ, อดร้อนให้หมันขออุดาต่ออัลล์ ต่อมากับอายที่13 113ว่าบารคนา عليه وعلى إسحاق ว่ามิ زوريات ีมา محسن وعالم น ل ل ي نفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق ว่มิหนุริยติหิมะมุขสนวะวาลิลินัฟซิมุบินอัลลอฮอะลลอฮิลัมดิลลาอนี่อัลลอ์าให้นบีบุญผู้มาฟังนะให้พวกเราฟังนะว่าบารอกนาแปลว่าเราได้ประทานความจำเริญบารักัดหรือไงคำนี้แหละบารอกนามาจากบารักะ เราได้ประทานความจำเริญอะไรฮีให้แก่อิบราฮิมต้องดูตัปซีดเลยนะอะไรฮีอะไรฮีหมายถึงอะไรบนใครบนนบีอิบราฮิมเอาลเล่าให้นบีมัทธ์ฟังนะเรานี่ได้ประทานความจำเริญให้แก่นบีอิบราฮิมแล้วยังไม่พออีกให้ใครอีกวะละอิสฮะแล้วก็ให้แก่ อิสฮซึ่งเป็นลูกชายด้วยอัลลอห์อักบัรสงางานะไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลอลลรักนาเล่าให้ทีบีอุมัดฟังเนี่ยถ้าเพราะอิสฮะเป็นคนดีใช่ไหมล่ะแล้วก็อิบราฮีมก็เป็นคนดีนะครับวามิซูริยัติฮิมา อ, อ๋อตรงนี้ต้องการจะแชร์เหมือนกัน น, นนะและ ลูกหลานซุริยาแปลว่าลูกหลานลูกหลานของเขาทั้งสองลูกหลานของอิบราฮีมกับลูกหลานของอิสห์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นไงนะเป็นยหูดีแล้วก็เป็นคริสเตียนปัจจุบันเนี่ยลูกหลานส่วนใหญ่เป็นไงนะเป็นยหูดีแล้วก็เป็นคริสเตียนแล้วก็ อยนอาหรับด้วยใช่ไหมพออิสมาอินดูใช่ไหมอ่านี่ลูกหลานทั้งหมดเลยนี่นะลูกหลานของของอิสฮา ก, ก็ดีของนบีอิบรอฮีมก็ดีของอิสมาอินก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เป็นยังไงครับมุฮซินุนเป็นคนอะไรเป็นคนดีก็เยอะเอาว่าเป็นมุสลิมกันแล้วกันถ้าเป็นมุสลิมประชากรเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณสพันล้านใช่ไหมประชากรโลกเท่าไหร่ 7พันล้านลักษณะคริสเป็นระดับหนึ่งใช่ไหมรองลงมาเป็นมุสลิมรองลงมาก็ประเทศจีนอินเดียนั้น้นี่นนอลัลลอ์เลยนะแต่มีมุสลิมแซมแซมอยู่บ้างก็ประมาณสองสองพันล้านปัจจุบันนี้อลัลลอฮ์เล่าให้นบีมุั a m m a d ฟังนะลูกหลานของอิบรอฮิมแลวลูกหลานของอิสฮากเนี่ยมัฮซนุนเป็นคนดีมีไหมมี แล้วก็วาซอเลมเนี่คนอะไรคนชั่วเห็นยังอรอเห็นคนชั่วก็มีแต่เออย์เออย์เอยเอยกลุ่มไหนก่อนมัวสินเออยคนดีก่อนในกลุ่มของลูกหลานของอิบรอฮีมกับลูกหลานของอิชฮากเนี่ยคนดีก็เยอะแล้วก็ซอเลมตามด้วยคนชั่วก็เยอะคนชั่วเนี่ยอลัลลอฮฺอธิบายยังไง เขาทําความคนชัวนะ่วนั้นทาความเดือดร้อนทําความวุ่นวายอาธรรมอาธรรมกับใครหรือเปล่าลีนัฟซีฮีอาธรรมกับตัวของเขาเองเห็นยังครับไม่เอาศาสนาเนี่ยอาธรรมกับใครอานทำกับตัวเองไม่ใช่อัลลอฮฺจะยุบลงความมรรมันจะเล็กลงไม่มี ใครไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอาอิมานไม่เอาตักวาเป็นคนซอเหลมเนี่ยรอเหลมเนี่ยทำลายใครทําลายตัวเองลีนับสี่เห็นยังครับเปิดหูยังเปิดใจเราแล้วเนี่ยท่านคนที่วันนี้เลวเนะคนไม่เอาศาสนาทำลายใครทำลายตัวเองครับอัดลงตายดูสิอาลฟาโร่เป็นไงอาลกอรูนอลัลลอฮ์ให้ใช่ไหมให้เงินเยอะทําเงินช่วยได้ไ่ะ ช่วยแม่ตันรกช่วยได้ไหมกอรูนเนี่ยมีเงินเยอะช่วยแม่ตัวนรกทำได้ไหมไม่ได้ฟาโรเป็นอะไรเป็นกษัตริย์ด้วยนะ่ะและมีทหารรักษาพระองค์ไดลายสาม0มห้าพคนนะ่ะตำแหน่งสูงสูงอย่างเงี้ยตำแหน่งรักษาแม่ตันรกได้ไหมช่วยไม่ได้ถึงคุรานจะพูดชัดนะว่ากอลิมุลินับซ ผู้ที่อาธรรมแต่ตัวของเขาเองเันยังครับชัดยังเอ็งม่เาศาสนาก็เชิญน่ะแต่ทำลายใครทำลายตัวเองอะ่ะจะจะรู้สึกตัวตอนไหนหรือว่าตอนความตายมาถึงก็หอยแต่ก่อนตายเนี่ยนะเาลาให้อร่อย และอธิบายผ่านนาบีว่าฉันให้นะสีสี่อย่างนะบนโลกใบนี้นะอร่อยจริงๆเพลินเลยอ ะ, อะไรให้เงินให้ตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศใช่ไหมสีอย่างเอาอย่างให้ผู้หญิงไม่ได้อะนอนกอดไปสิมาต่อแต่งงานด้วยหไหมไหมไอ้สามสี่อย่างห้าอย่างนี่มันเพลินจริงๆใช่หรือไม่ใช่เราเองก็ชอบอ่ะแต่ว่าเราก็มีอิสลามกำกับชีวิตอยู่มันเลย ไม่เท่าไรอ่มีเงินฉันก็บริจาคบริจาคบริจาคดูแลดูแลดูแลคนดูแลคนนั่นคนนี้อโลพลละบนเต็มเลยแต่ท่านศาสนาไม่มีนะมีดูแลดูแลตัวเองอ่ะดูแลครอบครัวตัวเองแค่ น, นั้นเองบริจาคโอ้ยอย่าประวังนะพวกชาฉันไปไปไปไปไปหางห่างงห่งหงหงหงนั้นคนไม่เอาศาสนาก็เรียกว่าคนนั้นนะคนยอเลมคนยอเลมเียในตัปสิทอธิบายดีนะมีทั้งหมดประมาณสัก หกข้อเอาฟังฟังมาก่อนนะข้อที่หนึ่งคนซอนเลมไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยไม่เอานาบีเป็นแบบเนี่ยพวกยิวฮูดีนี่นะบางกลุ่มบันทึอิสราเอลด้วยนะเอาลูกวัวมากราบนี่ผิดอย่างแรงเลยครับแล้วคนที่เอาลูกวัวมากราบเนี่ยในสมัยนี้ไหม ใ, หในประเทศอินเดียหมดเลยไนงะคุณอยู่อินเดียมาพงรู้สิกบาบัวกับลูกวัวนี่ผิดอย่างแรงเรื่องเรื่องที่สอง คนกาฟิรินทั้งหมดนั้นเป็นคนรอเหลมหมดที่ปฏิเสธกุรอานปฏิเสธนบีปฏิเสธนบีมูซ่าปฏิเบตนบีอิสซาปฏิเสธนบีทั้งหมดที่มานะครับตั้งแต่ยุคแรกๆถึงยุคสุดท้ายนี่นะถ้าไม่เอานาบีของเรานในยุคนบี ม, มุ hammad ถ้าออาถ้าไม่ยึดนบี ม, มุ hammad เองเป็นคนรอเหลมเรื่องที่สมนะครับคนที่พูดใส่ร้ายอัลลอฮ์อัลลอลลอฮ์ พูดใส่ไล่อัลลอฮ์อ้าวอะไรบ้างความจริงอัลลอ์ประกาศว่าฉันนี่องค์เดียวนะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะพึ่งฉันหมดเลยฉันไม่มีลูกฉันไม่มีพ่อฉันไม่มีแม่ฉันนี่ไม่นอนด้วยไม่กินด้วยไม่ง่วงนอนฉันอยู่องค์เดียวนี่สิฟาิของอัลลอ์แต่วันนี้คนที่ตำาหน่งอัลลอฮ์มีไหมเอาเช่น น บ, บียึดน บ, บีอีซาเป็นลูกอัลลอฮ์ใช่เลยไม่ใช่อัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ Allah ไม่พอใจอะ่ะหัวหน้าใครกับยะฮดีไะคริสเตียนเนี่ยของศาสนาเนี่ยรวมกันจะไม่อะไรนะดัดแปลงสังขยาคำภีของเขาทั้งตรอร้อยอินจีนทําของอาราม์เต็มไปหมดเลยวันนี้จะไม่ละสงคำสงคำนี้ด้วยฝีมือขมยะฮูดีทั้งหมดเลย ไม่อยากจะแตะแตะเยอะเลยนะการเมืองทั้งหมดแล้ววันนี้ทำได้ลแล <laughs> เ้เรื่องเรื่องเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องที่สี่นะครับคนที่ปฏิเสธกุรานทุกอายะนี่เป็นเป็นคนที่อะไรนะเป็นคนรอเหลมเรื่องที่ห้าเรื่องที่หเรื่องเรื่องที่ห้าคนที่ทําความผิดแล้วไม่ตาว่าตัวทําผิดแล้วไม่ตาว่าตัวเนี่ยเป็นคนรอเหลมเป็นคนชั่วนะครับเรื่องที่ห คนที่ด่านบีมุฮัมมัดโอ้ตำหนินบีมุฮัมมัดเนี่ยนี่เป็นคนซอเลม็มเอามานึกได้คนที่ตำหนินบีมุฮัมมัดในสมัยนบียังมีชีวิตอยู่ ม, มีอยู่หลายคนแต่ที่อัลลอ์เล่าเรืงอีุรานหนึ่งอย่อับูอับูอบูอับูจฮาลอบูจฮลเนี่ยเป็นยัง มีวันหนึ่งนบีเนี่ยเดินไปตลาดแล้วจของตลาดเนี่ยไล่บอกนบีมัมมัดมัมมัดกับบ้านไม่ให้เข้าตลาดน่าแต้มันนะนบีก็เดินออกพอเดินออกเสร็จแล้วก็มาขี่อูดอบูย์ะฮันเนี่ยจ้องอยู่แล้วก็เอาธนูเนี่ยพอนบีขี่อูดพออูดจะร่วมเริ่ ม, เ ร, มเริ่มเดินยิงที่ขาอูด พอยิงป้าบน่ยอูดก็โจนอ่ะพักระโจปรป้าบคนที่อยู่บนรางอุดไปไงตกพอตกตอ บ, บมือกันหัวรกกัทั้งตลาดเลยเนี่ยฉีกหน้านาบีขนาดไหนแต่นบีไม่ว่าแต่นบีทนอดทนนบีก็เดินออกจากตลาดเฉยเฉยไม่ว่าอะไรในเรื่องที่หนึ่งเล่นเล่นงานนาบีและอีกคนหนึ่งชื่อมูรีรอ วันีดบินบินมูรีรออันนี้ดานาบีเลยครับท่า น, นคนที่ดานาบีกับคนที่สรรเสริญ น, นบีมีผลบุญต่างกันไหมต่างกันเยอะเลยนบีสอเนเราไงนะมันซอลลาอะัยยะซอลลาตันวาฮิดตันใครที่สรรเสริญยกย่องนบี1ครั้งอัลลอฮ์จะสัละวาดกลับไปกี่ครั้งอาชารอ10ครั้ง เราตกสลบาสนบีทุ ว, วันอัลลฮุมาสละ่อยเร่อมุฮัมมัดิ่งในนมาใช่ไหมนั่นแหละสลวบาสนบีบรหิมด้วยนบีมุฮัมมัดด้วยใช่ไเราเป็นมุสลิมเราสลบาต่อท่านนาบีมุฮัมมัดทุ ว, วันแล้วอัลลจะสลวาสกลับมาเท่าไหร่สิบเอามาดูคนที่ดา่นานบีนบีสอนบอกว่าว่ da, da, ามันซับบะใครที่ด่าซับบาหูใครที่ด่านบี มรอตันครั้งเดียวซบบัลลอฮุอะลัยฮิอัชลมรอตินอัลลอฮ์ก็จะดากลับส0ครั้งดาอย่างไงรู้ไหมไดาอย่างเงี้ครับเ็าบอกว่าอาลาอตอคุณไม่เคยอ่านกุรานไม่เคยไม่เคยไม่เคยเปิดกุรานดูหรือสุรอนเนี่ยสุรอนอัลกอลัมอายะที่สิบ คนที่ดานบีอลัลลอฮ์ลงโทษแบบนี้อลัลลอฮ์เล่นงานแบบนี้เล่นงานแบบไม่ให้ตายนะเล่นงานแบบให้มารยาทเองกันเลวให้มารยาทคุณอันเลวตกต่ำคุณอานอธิบายอย่างนี้นะครับวะเลตุติอัลกุลละฮัลละฟิมมาฮินอีกว่าที่หนึ่งฮัมมาซิมมัชชัยบินามิมฮัน ฮามาสข้อที่สองมัชซาอิมบินามีมข้อที่สามัมนนาอิลล์คอยรข้อที่สมูตาดินข้อที่ห้าอาซีมุนข้อที่หกอัตุลลิมข้อที่เจ็ดมีทั้งหมดสิบข้อเดี๋ยวจะแปลให้ฟังคนที่ตําหนินบีด่านาบีสยยบ่ยไลน์นบีอัลลอฮ์จะลงโทษให้เขาได้รับความวิบัติ สิบข้อเหมือนกันครับข้อที่หนึ่งขัลนแรกนิสัยนะนิสัยของคนที่ดานาบีเนี่ยจะเป็นอย่างนี้จะแสดงออกจะเห็นบุญลกดุญยาไปนี้นะชอบสาบานตนทันขอสาบานอะไรก็ทันขอสาบานสาบานนี่ไม่ดีนะแสดงว่าเองเชื่อกูกูพูดกูพูดจริงนะ่ะแต่พูดโกหกเยอะ เนนนิสัยนิสัยจะเปลี่ยนนะจะชอบชอบสาบาลแล้วก็มูฮีนุนตกต่ำนิสัยนิสัยเลวเรื่องที่สองฮัมมัแต่ว่าชอบนินทาลับหลังชอบด่านาบีลับหลังด่าซาบ้านาบีลับหลังการด่าคนลับหลังดี ไ, ได้ไม่ดีนี่นิสัยของคนที่ไม่ศรนละาต่อท่านนาบีจะเป็นแบบนี้ เรื่องที่สมนะครับมัชฌายมบินามีชอบตะเวนใส่ไรอิสลามแบบไอ้เพชรทองวะเนี่ยอ่าเออเชื่อมันเลยไอ้เพชรทองวะเ น, นี่ยไปตามหมู่บ้านต่างๆกี่มากไปหาพวกเดียวกันพูดพุทธรรมรกายเห็นไหมไปด่าอิสลามด่านบีด่านนู่นด่านนี่ด่าอลัลลอฮ์ว่าเป็นใช่ตอ น, นะอะแต่คิดในเดียวพอนะ ฉะนั้นคนที่ด่าอนบบีมุฮัมมัดเขาจะด่าอิสลามต่อมาข้อที่ข้อที่สมันไอ้ลิลคอยเขาจะชอบขัดขวางคนไม่ให้ทำความดีเองอย่าสร้างพวกเราสร้างไม่ได้อะคนที่ห้ามคนไม่ให้ทำความดีนะคนเลวหรือคนคนดีอ่ะคนเลวอ่ะแต่รัฐบาลไทยเรามำด้ดีแล้วในหลวงยัง ยังเปิดโอกาสใช่ไหมแต่ว่าคนในบ้านเราบางบางกลุ่มในะบางคนนะเนี่ยหมหำห้ามคนขาดขวามคนไม่ให้ทําความดีไม่ให้มีมัสยิดอืมเอาต่อมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เล่าไปฟังเลยนะคนที่ด่านะบีอย่างเดียวเนี่ยอลัลลอฮ์ลงโทษอะไรบ้างเลยนะยิ่งประกาศไม่ให้สร้างพทุทธิเองจะ่ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์นะเคลื่อ น, น, นตอนนั้นหลังตายต่อมาครับข้อที่หกมัวอัตตาเดนผู้ฝ่าฝืน เอาดีได้ไม่ดีนิสัยเนี่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอ์ไม่นอบน้อมไม่ทอมตนเลยโยยิงจรงหงข้อที่เจ็ดอาซีมุลคนบาปคนทำบาปข้อที่แปดจนีนุนลูกไม่มีพ่อนี่ใครด่าที่อัลลอฮ์ดานะเองเป็นลูกที่ไม่มีพ่อประสวนใหญ่มันมันไม่ได้นิ迦ไม่ใช่หรอคนกาเฟนรอชไม่ะ อายุไม่ได้กี่ก้าวพอถูกใจกันก็นมาอยู่ด้วยกันทำด้วยเ ล, ยล่ห์เนี่ยเราสอนอ่ะจะนิมแปลว่านีลูกชู้เป็นคนพาลเป็นลูกชู้ข้อที่9ก้าเอาลองให้เงินเยอะเงินเยอะเนี่ยคิดว่าตัวเองแม่ละแบบคลายครับเงินเยอะแบบอะไรก็รูนเห็นยังเอาเงินเยอะดีได้ไม่ดีล่ะ ถ้าเงินเยอะไม่ไม่บริจาคไม่จ่ายปะกาศไม่จ่ายฮาดียาไม่จ่ายวากาฟไม่จ่ายอัลลอฮฺอัลลอฮฺละมีประโยชน์อะไรมีเงินทําอะไรมีเงินพาตกนรกอะ่ะเนี่ยอัลลอฮ์ให้เองนะเองยิ่งด่านะบีฉันยิ่งให้เองรวยมากกว่าเก่าอังกานาจมาลิววาบแล้วก็มีลูกหลานเยอะมีพวกเยอะด้วยเอาไปเลย ว่า إذا تطلع على آياتنا า ا ل ساطير ا ل أ و ล ي ن ولا كيان อ่านอ่า น, า น, านคุณอ่านให้ฟังเขาจะพูดว่านี่มันนิยายเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าเขาเขาไม่เชื่อกันแล้วคุณอ่านนี่นิสัยของคนที่แอนตี้นบีมุฮัมมัดจะมีนิสัยเลลวสิบข้ออยู่ในอัลกุรอานท่านผู้เราวันนี้น่ะต้องนึกถึงสุนน์านาบีเยอะๆนะ ยาดาสุนทรนาบีนะพยายามเอาสุนทรนาบีเข้ามัสยิดเยอะๆสอนกันอธิบายสุนทรนาบีเป็นตัวประคองเราไม่ให้ไป็นคนไปนคนเลวนะถ้าสุนทรนาบีไม่เมิอยู่สายสิบ ข, ข้อจะตามมาทันทีไงชอบตาําหนิคนว่าคนใส่ร้ายคนบาปหนักบาปหนาตะเวนอลโล่ตั้งสิบข้อเปน็นว่าไปเปิดดูนะสุรากอรัมสุรอาทิจะไหลนะหกสิบแปดอายาที่สิบไปอ่านดูที่บ้านนะครับประทับอยู่เลย แล้วในวันกียร์มะไม่แ น, น่นอนที่สุดครับสานสาสานาสีมูหูอลัลคุรตุมเราจะตีตีตาบนจมูกของเขาให้อับอายในวันกียร์มะคนที่ด่านาบีมุฮัมมัดอลัลลอฮ์จะตีตาที่จมูกที่ใบหน้าของเขาให้เดินจะรู้เลยเองนนี่ด่ามุฮัมมัดตอนอยู่บนโลกดุนยาใช่ไหมไม่ใช่เรงสนุกเลยนะท่า น, นถ้าอา่านกุรอานเข้าใจอา่ากุัอานจะไม่กล้าทํำบาปนะครับ อัต ah ่อมาครับตัวลงว่าวะบารลนาวะบารนาอะไรวะลาอิสฮวะมินซุรียตหมะมุซินวะิมุลนัวะิมุลนับมบนแ่เราได้ประทานความจำเริญแก่อิบราฮิม และความจเจริญแก่อิสชากนะครับแล้วก็ให้มีลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นเยอะบนโลกใบนี้แล้วก็ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นน่ะคนทําความดีมีไหมมีและร้อเหลมมีไหมมีพอพูดว่าเหลนปับอัลลอฮฺเสริมลินับสีเขารอเหลมกับตัวของเขาเองนะครับเอาต่อมาครับอายาที่1 1ึ่ و ล ا ق د م ن ا على موسى وهارون ولاقدمنا على موسى وهارون الله أكبر เนี่ยลล l า h ลาะนบียม h ั m m ฟังนะอัลลอฮ์ยกย่อมใครอีกมนันนันนนี่แปลว่าเราได้ประทานความโปรดปานมานันน่าเนี่ยว่าความความโปรดปานมันั่นนะ เราได้ประทานความโปรดปานให้กับใครอีกอาลามูซากับใครกับมูซาอัลลอฮุอัยบดลละใครอีกวาหฮารูนเออยชื่อเลยเห็นไหมชื่อของนบีมูซาอยู่ในคัมภีรุอ่านร้อยกว่าครั้งแต่ชื่อของนบีมุฮัมมัดมีอยู่ใส่ข้าง ทำไมอ่ะเออมันน่าจะมุัมมัดเยอะหน่อยใช่ไหมแต่มุฮัมมัดนับพลังอาอยุสามสี่ครั้งเองแต่สุยาจะชื่อเรียกชื่ออย่างนี้เรียกอะไรนะมูจาบ ม, มินยาอา ย, ยุหามูจาบ ม, มินยาอา ย, ยุหามุนดาเซต์อ่านเบเรียกเรียกนบีแต่ไม่เคยเรียกชื่อนบีตรงๆอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกชื่อมุฮัมมัดตรงตรงปรเป็นการให้เกียรติกับนบีมุฮัมมัด กับนบีท่านอื่นอลัลลอ์เรียกชื่อตรงเลยยามมซายาอิบรอฮีมเฉพาะอมซาอย่างเดียวมันร้อยสกว่าครั้งในกาพีกลอฮ์ตัวนึงว่าอลัลลอ์เนี่ยให้เกียรตินบีมุฮัมมัดมากกับเกิดที่หลังไม่ใช่สิตายมามาที่หลังสุดใช่ไหมแต่เวลาวันกิยามามาเนี่ยใครเกิดก่อน นบีมุ hammad เ, เ, เกิดก่อนแล้วพวกเราในเกิดก่อนเนี่ยเราให้เกียรติยังทำดีๆเราต้องขอบคุณอเราล้วคนที่เข้าประตูสวรรค์คนแรกนะใครน่ะนบีมุ hammad อะประตูสวรรค์จะเปิดได้ต้องนบีมันเข้าก่อนแล้วพวกเราก็เข้าทีหลังขอให้เข้าให้หมดนะคนฟังตำเสทีทั่วโลกไอ้ทั่วประเทศเรา ล, ละทำดีลเลยครับ ว่าาก็ดิมานันนะอัลามูซาวารูและเราได้ประทานความโปรดปรานกใครนะครับอัลามูซามูซานี่แปลว่าอะไรนั่งอ่านหนังสือหลายชั่วโมงมูซาเนี่เป็นภาษาอียิปต์เก่าแปลว่านา้ำอ่าแปลว่าปาณีในภาษาอุรุปานีปรวัานา้าก็สังเกตนะ น บ, บีมูซาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำหมดเลยใช่หรือไม่ใช่น บ, บีมูซาเนี่ยจากครอบครัวตั้งแต่อายุสามเดือนจากบ้านแล้วก็ก็กยังน้ํากำมำเกี่ยวข้อมแม่เนี่ยกลัวว่ามูซาฟารโสาฟารสั่งประกาศฆ่าเด็กใจะมาละก็เด็กเหลืออยู่คนเดียวไงคือมูซานั่นแหละท้องกว่าไม่รู้ว่าท้องเอาล็อให้ท้องเล็กพอคลอดออกมาน่ยอยู่ในบ้านเนี่ยสามเดือนด้วยความกลัว อเ ล, ล็กก็สั่งก็รูว้ว่าให้โดนใจให้แม่บอกว่าถ้ากลัวก็ใเอามูซาเนี่ยใส่หีบแล้วก็เอาไปลอยน้ําอเ ล, ล็กก็จะสั่งหีบเนี่ยให้ลอยไปถึงหน้าปราสาทฟาโร่แล้วก็จะสั่งให้ภรรยาฟาโร่ในเห็นหีบแล้วก็รักหีบอยากได้หีบเพราะเอาหีบขึ้นไปไปเจอเปิดหีบเจอเด็กนี่เรื่องคองนดีมูซาหมดเลยนะแล้วก็ฟาโร่มาจะฆ่าฆ่าเลยฆ่าเลยแม่บอกว่าอย่าเพิ่งฆ่า เราจะเก็บเอาไว้เป็นลูกบุญธรรมอารอล่ะใช่ไมนี่นะเองนะอารามมาขวางในชะ่ไหมเอาภรรยามาขวางเพราะสามีก็เลยส่วนใหญ่นะสามีก็จะเกรงใจภรรยานะ่ยภรรยาทำอะไรที่เชื่อหมดแล้วแต่ภรรยาคนนี้ดีใช่ไหมชื่อนางอาซียาแต่ภรรยานาบีนบีอะไรนะที่ยุให้สามีทําบาปนะนบีอาดัมอัลลอฮิสซาลาฮยุให้สามีทําบาปใช่ไหม สุวรรณบีมหมามัดนบีสอนเองภรรยาฉันกี่คนก็ตามนะไม่เคยช่วยเหลือฉันให้ฉันเป็นคนดีอัลลอฮฺให้ไม่ต่างกันไหม <laughs> ฮัมจุลิลนะนบีนองที่เป็นภรรยาคนเนี่ยนะถ้าฟังศาสนาอยู่นี่นะต้องภูมิใจนะว่าช่วยสามีไปสวรรค์เราได้ไปด้วยนะฮัมจุลินะต่อมาครับตัวลงว่านาบีมูซานี่นะ เรื่องนบีมูซานี่ยาวนะแล้วก็มาตายมาันมาจมใครจมน้ําตายนะฟาโฟรห์เฟรอนอลลอแล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งเนะ่ยของประวัตินบีมูซานี่เรื่องยาวมากเลยนะอลัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมูซาที่ภูเขาตูดนะแต่งตั้งมุฮัมมัดให้เป็นนบีที่ภูเขาอะไรภูเขานูดเหรออ่าใช่ไหมภูเขาโมเลสังเกต น, นะ นบีมูซาที่ภูเขาตูร์นบีมุฮัมมัดที่ภูเขาท่มักกาคนละประเทศเลยนะทีนี้อัลลอฮ์สั่งสั่งนบีมูซากับฮารูนสองคนเนี่ยฮารูนเป็นเป็นพี่ชายนะเป็นพี่ชายนะ อ, อ, อัลลอฮ์สั่งว่าฟิร์โน่าอะรนะมูซาฮารูนเออเธอสองคนเนี่ยอิสฮะบะอีลาฟิร์โอนเธอสองคนไปสอนไปหาฟิรโอน ไฟอินน้าหต่อเพราะหาไฟฟ้าฟรีเรนนั่นทรยศต่ออัลลอฮ์ว่ากูละเวลาไปสอนศาสนากับฟีฟฟรีเราเและพวกของเขาเนี่ยอิทธิพลเยอะนะกษัตริย์นะมาจากคนธรรมดานะกูละเราไปพูดกับเขาไล่ยี่นันพูดเพราะเพราะเห็นยังครับนั้นคันพูดศาสนานเนี่ยพูดห้าวไม่ได้ต้องพูดอะไร พูดดีๆแล้วอย่าด่าอย่าตวาดอย่าใส่ร้ายคนอย่าตําหนิคนพูดเชิญชวนอย่างเดียวอะไรนะฟักูลาละหูเก้าลันไลนันลัลละหูยาตาจักกะลาเอวยักษชาพูดดีเนี่ยพูดดีๆนี่นะทำมาขอได้สํานึกทำเขาได้ได้กลัวพูดดีอย่างเดียวนี่แหละเห็นยังครับการพูดดีเนี่ยทำดีทำสองอย่างเอาละให้อย่างนะ ให้เขาได้ราลึกได้คิดเออทบทวนตัวเองหรือแม่แต่กลัวการลงโทษฉะนั้นรวมไปถึงพ่อแม่คุยกับลูกด้วยคุยกับภรรยาเนี่ยอย่าด่าภรรยาอย่าด่าภรรยาก็ขนาดนาบีมูซานะดีกว่าเราใช่ไหมสั่งคนที่ดีกว่าเราอะ่ะให้ไปหาคนที่เลวกว่าเราใช่ไหมฟารโรห์เลวกว่าเราใช่ไหมนี่ภาษาอูดูทั้งหมดนะมูซาดีกว่าเรา ฟาโรนเลวกว่าเราสั่งคนที่ดีกว่าเราไปหาคนที่เลวกว่าเราไปสั่งว่าไงกู ล, ลาละหูกาลาละหีนั้นให้พูดจ้าเพราะเพราะให้พูดจ้าดีๆนี่สอนเราภรยาเราเปเป็นเป็นเป็นศัตรูเราหรอไม่ใช่อ่ะลูกเราน่ะเป็นศัตรูเราหรือไม่ใช่อะจากนั้นเวลาลูกทําผิดอย่าด่าให้พูดจ้าดีๆอัลลอฮฺมาก ทำอะไรผิด พ, พระยาผิดยะดาทำอาหารอร่อยชมเลย อ, อาหารเธอวันนี้อร่อยจริงๆแต่ขอขอะขอะไรขอเกลือหน่อยนี่นอิสลามเห็ยังครับสอนทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราห ม, มดเลยำดิลิลเอาต่อมาครับฮารูเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะเป็นพี่ชายนะนี่อุลมามะเขาอธิบายอย่างนี้อาเลมอุลมามะในโลกนี้นะ ไม่มีใครเอาญาติพี่น้องมาช่วยทํางานศาสนาส่วนใหญ่จะทําคนเดียวส่วนใหญ่นะอาเลมก็อาเลมคนเดียวพี่น้องญาติในครอบครัวเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะขออุทิศให้ให้พี่ชายหรือน้องชายมาสนับสนุนอธิบายต่อบอกว่านักการเมืองเท่านั้นที่เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยก็จะดึง ที่ดึ่มน้องมาร่วมในการเป็นนักการเมืองด้วยแต่โต๊ะครูมไม่ค่อยมีน้อยมากครับเอาพี่เอาน้องมามาช่วยนะในการเผยเพยอิสลามเนี่ยไม่ค่อยมีแต่นักการเมืองเอาอายะเอากุรอานนี่ไปใช้ครับฮารูนาอัคยใช่ไหมนี่บุญนาเบียูซาใช่ไหมเอาขอดุอาให้ ให้พี่ชายเนี่ยได้มาช่วยงานงานาศาสนาจะอขออย่างนี้ฮารูนาอคีอัชดูดีบีอัมรีได้โปรดฮารูเป็นพี่ชายของฉันให้ฮารูนเนี่ยเป็นมาเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ฉันไกนุซาบีฮากากาซีรอเพื่อเราจะได้สะดุดีสรรเสริญต่ออัลลอฮ์มากๆ วันนัาสุกูรอกากาซีรอเพื่อเราจะได้จำลึกถึงอลัลลอฮ์มากๆอินนะกุลตะบีนาบ่าซีรอแท้จริงอลัลลอะ์เป็นผู้ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยต้อลรงว่าเราทำงานศาสนาวันนี้นะต้องพยายามเอาพี่เอาน้องมาอยู่ในาศาสนาด้วยไม่ใช่ทำคนเดียวนะครับเอาต่อมาอายะห์ที่สิบห้าอายาสุดท้าย วันัตเจ يناهما وقومهما من الكرب العظيم วันัตเจ يناهما وقومهما من الكرب العظيم ِัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลْอฺَอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺาัลลอฮาอัลลอฮฺอัยลอฮฺอัลลออัลลออััอ หมายถึงนบีมูซากับนบีฮารูนสองคนนี้มาหาฟิโออน์มาจากคนธรรมดาแล้วก็มาสอนกี่ปีสามสิบกว่าปีนะแล้วก็มีปัญหาเยอะมากเลยเอลัลลอ์แต่ใครชนะอัอลลอฮ์เล่าให้ฟังว่านัดจายนาหูมาและเราได้ช่วยเขาทั้งสองหมายถึงมูซากับฮารูน วกาอุมะฮูมาและมูชนของเขาทั้งสองมินัลการบิกาดบุญนมาว่าความลำเทนหรือความลำบากอาซีมุนที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ได้ช่วยให้นบีมูซากับฮารูเนี่ยไม่ให้ถูกฟาโรเล่นงานเราคุ้มครองหมดเลยครับให้ชนะด้วยการเผยแร่อิสลามในสมัยนบีมูซามูซาชนะหมดเลยครับ แล้วก็มีอาวุธอะไรติดตัวมาไม่เท่าไม่มีปืนไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินไม่มีจรวดคนี่อิสราเอลสะสมเต็มหมดเลยนะอยู่ในอยู่ในอิสราเอลน่นนะริมริมปาเลสไตน์นะคนที่ปกป้องปาเลสไตน์มีมีมแก่ประเทศซาอุดีก็ไปไม่ปกป้องด้วยนะแต่คราวนี้พอโสะเทือนนะครับวานัดไจนาหูมาและเราได้ช่วยเขาทั้งสองนะครับ ว่าเขมาหูมาและหมู่ชนของเขาทั้งสองเขพื่อบอนในอิสราเอลที่เชื่อนบีมูซ่าเนี่ยนะมีนัลการบิลอาลีการบุญแปลว่าความลำเคนหรือความลําบากอัลลอฮ์ทำงานศาสนาเนี่อลำบากไหมลาบากครับจริงตัวครูเงินเดือนก็ไม่มีคิดดูสิก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอดบ้างหิวบ้างแต่รางวัลจากจอัลลอฮ์เยอะมากครับท่านหลายคนนะถ้าไม่หัวใจไม่อิคลาต่ออัลลอฮ์นะ ทำงานศาสนาไม่ได้่วงอะห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงนี่อะห่วงไปเถอะห่วงไปห่วงมาก็รอเลมบีนับสีเห็นทรมานตัวเองถ้าอยนี่ศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์สง่า ง, งามจริงๆนะอัลลอ์จะให้อิ่มเอิบเมื่อคืนผ ม, ผ ม, ผ ม, ผ ม, ผมฝันอะไรนะฝันเป็นอาชากรานอัลลอ์อะไรนะ อนีมสันยดดุรัอันตะอัหมุรอให้มีตกใจตื่นนี่มันดูอาของนบีอะไรนะนบีอายุใช่มะอายุหรือยูนัสอ่านบีอายุอ่านบีอายุมาได้ยังไงอันนี้มสันยดุัอันตะอัหมุรให้มีตื่เลยอที่สามอัลฮัมิลลาเอาต่อมาครับ วันศรนั้หุมฟักานุุมลลลิบุวนรนหุมฟกานุมลลลิบุลิบินมลิบุนะวนรนหุมฟกานุมลลลิบินและเราได้นี่เป็นการอธิบายอายแรกนะอายอายที่อยาที่15 15 และเราได้ช่วยเหลือพวกเขาพวกบรรดาอิสราเอลด้วยนบีมูซาด้วยฮารูนด้วยนะช่วยเหลือพวกเขาฟากานูฮูมุลลอริบ no ูและพวกเขานี่แหละที่ชนะเหนือฟาโรเลยชนะเลยนะัดูเลยแหละตัง้ตงที่รถถังก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีฟาโร่น่มีทุกอย่างเงินก็มีพวก็มีเยอะไปหมดแต่แพ้เห็นยังครับ มุมินในโลกดุนยาใบนี้อธิบายอ้ายานีเหมือนกันว่ากานะฮักก่อนอะไรนะนัสรุลมุมนินีคนที่เป็นมุมินทั้งหมดทั่วโลกอัลลอฮจะคุ้มครองจะรักษาจะช่วยเหลือเขาให้ปลอดภัยจากอะไรนะจากการเล่นงานของฝ่ายศัตรูเอาละถ้าศัตรูฆ่าได้ขเขา่าตายก็ตายอะไรตายชดีเห็หนยังไปไหนไปสวรรค์เลย ทำไม่ไดฉันก็เหน็ดเหนื่อยทํางานศาสนาต่อไปฉะนั้นรสูลของ อ, อัลลอฮ์ชนะหมดผู้ศรัทธาต่อรสทั้งหมดทั่วโลกต่อทํางผู้อัลลอฮ์นะนะอัสุนานนบีมาใชา้ด้วยนะอย่าด่านบีนะถ้าด่านาบีก็เจอสิบประการนะโอ้หนักนะฉะนั้นวกานฮักกอนอไ ล, ลนานัสูลมุมินินมุกับแล้วก็และ เป็นหน้าที่ของของเราเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือผู้ศรัทธาต่อเราเป็นหน้าที่ของนบีฮักกุนเป็นเรื่องจริงด้วยครับจะนั้นกลัวอะไรอยู่กษัตราย์นอิสลามลําบากบ้างอะไรบ้างถูกด่าบ้างฟิตนาบ้างไม่มีปัญหานั่งเฉยๆทําตัวเหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดถูกคว้างถูกแรงยิงธนูอูดกระโดนนบีตกจากหลังอูดทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นประวัติเอามาอะไรนะเอามาคิด โอ้นบีลาบากเราเมือนบากเรื่องการเงินการทองเลยเล็กน้อยก็ต้องอดทนทางานศาสนาต่อไปนะครับหมดเวลาครบุลลอฮมวบิฮัมดิก้าุลอิลลอันตะอัสตะุาวะตบล์ลลอฮมุาลัยมุฮัมมัดุาลัยอบิฮิัมุฮัมดลลฮอบิลอาลามินข้าหมในบ้าน